ส2องการปฏิบัติให้นับหนึ่งทุกวันวงเล็บเปิดยี่สดมีนาคม25น้าห้าบอดจุดจุดนาทียี่วงเล็บปิดถ้าเวลาภาวนานะจะเอาแต่เจริญไม่เอาเสื่อมนี่เข้าใจผิดไม่ว่ามือระดับไหนนะถ้าไม่ใช่พระอรหันเนี่ยเจริญแล้วก็ยังเสื่อมอยู่ยังหนีไม่พ้นความเป็นคู่คือความเจริญและความเสื่อม ฉะนั้นพอเจริญแล้วเราดีใจลำพองขึ้นมานี่กิเลสเอาไปกินแล้วพอเสื่อมเราเสียอกเสียใจนี่กิเลสเอาไปกินแล้วให้รู้ทันนะรู้ทันความยินดียินร้ายต่อความเจริญและความเสื่อมไปวันหนึ่งมันเจริญก็ช่างมันมันเสื่อมก็ช่างมันให้นับหนึ่งทุกวันอย่านับสองนับสามนะทุกวันนับหนึ่งการปฏิบัติมีแต่หนึ่งเท่านั้นปฏิบัติไปสุดขีดก็เป็นหนึ่งอีกเรียกว่าจิตหนึ่งทก็ทำหนึ่ง จิตก็จิตหนึ่งการปฏิบัติก็ปฏิบัติหนึ่งเท่านั้นเองคือหนึ่งขณะต่อหน้านี้แหละ